ธรรมะทั้งหลายสรุปลงที่จิตใจมารู้ที่จิตใจเมื่อเจอสติรู้กายรู้จิตไป็นนานๆเนี่ยมันจะนําปัญญามานะสติจะนําปัญญามาใช้เห็นกายเห็นจิตเห็นเป็นรูปเป็นนามละรู้รูป ร, รู้นามเห็นธรรมชาติของชีวิตของเราเนี่ยมีสองอย่างคือส่วนของรูปและส่วนของนาม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 ไอ้ส่วนเรื่องของนามนี่ก็คือนามนี่ทำหม้ที่รู้คือรู้รู้หลายๆอย่างรู้ตั้งตารู้ตั้งหูรู้ว่ากายเคลื่อนไหวและเป็นผู้ใช้กายเคลื่อนไหวด้วยไอย้ธรรมชาติของนามนามนี่ขยันรู้ถ้ามีรู้ก็ต้องมีนามตัวเดียวกันสติสัมปชัญญะเนี่ยจะทำหาที่แยกรูปแยกนามเห็นรูปทุก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 ก็จะเป็นทุกข์ผิดหวังเพราะเราขาดสติปัญญาไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้จะต้องให้ได้ยังใจเรามีตัวมีตนอาการจิตจะเป็นตัวเป็นตนเลยมีตัณหามีกุปรทานจึงเป็นทุกข์ฉะนนเวลาร่างกายมันหิวใจก็โมโหนะรูปมันหิวรูปเป็นทุกข์ แต่นามเนี่ยคือจิตใจเนี่ยถูกเกลียดครอบงําไปมโมโหเรียกโมโหหิวปเป็นพวกขาดสติขาดการเจอสติให้รู้เต่าทันกาย ร, รู้เต่าทันจิตหรือื่งทีเรามีหน้าที่กับผู้อื่ น, เ, นเมื่อกี้หน้าที่กับตัวเองนะหน้าที่ดูแลกายจิตให้เป็นปกติเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปแบกภาระอยู่ไว้การทําหน้าที่กับผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน เนเรามีครอบครัวเนี่ยเรามีหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกถือว่ารับภาระรับหน้าที่ดีไว้แต่บางทีเรารู้สึกว่ามันหนักอึ้งทาไมเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวตัญหาตัวอุปทานปัญหาคือความดิ้นรนทยานอยากนะอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน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 เมื่อไม่แดงใจหวังเราก็เป็นทุกแบกภาระหนักอึ้งทางด้านจิตใจหรือเราอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลรรทำวัตถีรักษาคนไข้ก็ต้องมีความอยากความหวังเป็นธรรมดาอยากให้เขาหายปว่วยให้ยไข้แต่ไม่มีความยึดมั่นถือมันในความอยากนั้นด้วยจะต้องเป็นไปที่เราอยากจะต้องหาจริงๆไม่หายไม่ได้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนละ่ะใช่ไหม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 ในหน้าที่ของเราหน้าที่การงานนานวันเข้าเนี่ยสติมันจะเลินขึ้นก็จะเกิดปัญญานะรู้ความจริงของสิ่งต่งางๆทั้งปวงทั้งตัวเราและก็หน้าที่แล้วก็ผู้อื่นพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยอ๋อสิ่งต่งางๆทั้งปวงนี่มันไม่แน่นอนนะมันมีทุกบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่จะบังคับบัญชาพอรู้ความจริงเนี่ยมันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดมัน่นถือมั่นทาแต่หน้าที่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 หมดภาระไปเลยทําหน้าที่แล้วก็ใช้สติก็จะมีแต่วางภาระและจิตใจเบาสบายก็สรุปเป็นสูตรสำเร็จว่าถ้าเราจะทําหน้าที่แบบไม่เป็นทุกข์แล้วก็ต้องทาหน้าที่แบบไม่ต้องหวังแล้วก็ไม่ต้องเป็นอะไรด้วย